จ้างต้มเต่าก่อนที่เราจะคอหักสติก็บอกว่าพรุ่งนี้นะจะใช้หนี้เตาที่เราเคยไปรับจ้างต้มเต่าหนึ่งบาทพอดีอาตมา ก, ก็ต้องไปเยี่ยมร้านเบเต็กเสิงที่บางปะอินเขาขายอาหารและเขาผ่าท้องเป็นโรคมะเร็งเป็นเนื้อก้อนในท้องอเราก็ไปเยี่ยมเขา ตอนนั้นถนนสายเอเชียเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไปรถปิกอัพขับอย่างเร็วพอตอนขากลับพอไปถึงตรงวัดคูเนี่ยถนนมันลื่นมากรถก็เลยคว่มลงข้างถนนหมดเลยทำให้อัตมาต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่หเดือนเพราะรับจ้างเขาต้มเต่าแต่เต่ายังไม่ตายหรอกเราะจะเอาสตางไปกินที่โรงเรียนบาทหนึ่ง ตาลงแก่ๆเขาบอกว่ามึงช่วยต้มเต่าให้ทีสิกูจะให้มึงบาทนึงเขาพูดแบบภาษาอย่างนั้นวิธีต้มเต่านั้นก็เอาหม้อดินมาใส่น้ำต้มพอน้าเดือดก็เอาเต่าเป็นๆ น, นั่นอะใส่ลงไปเขาก็แก r a เล่ากันแล้วเต่ามันก็ดีเหลือเกินโยมเอาม้อเขียวปิดฝาเข้า เต่ามันก็สามารถขีกันดิ้นจนหม้อแตกไปเลยแล้วมันก็วิ่งเข้ากอไผ่ไปตามขาเราเนี่ยเช็ดน้ำตามันยังจำภาพได้วิ่งเข้าป่าไปหมดก็ขอจเจริญพรต่อไปว่าเราก็สงสารมันจะทำอย่างไรจากนั้นตาลุงก็มาทวงสตางค์คืนก็บอกว่าคืนไม่ได้ลงทุนไปแล้ว หม้อหายแตกไปหมดแล้วในที่สุดเวลาการต่อมาเราก็ต้องใช้กรรมอย่างนี้และตอนคอหักก็รถชนที่หลังตลาดปากบางนี่เองเราก็รู้ตัวล่วงหน้าหเดือนนะนี่แหละถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานสะสมหน่วยกิจมีสติสัมปชัญญะไว้เราก็คงจะเสียดายชีวิตว่าเราคงจะอายุไม่ยืน เวรกรรมตามสนองและรถชนเนี่ยเราก็จะได้ตำราขึ้นมาอีกขอให้โยมจาคาอาตมาไว้ว่าเวลาเรามีเวรกรรมจะถูกรถชนโชเฟอร์เขาจะไม่เห็นเราเราเดินผ่านถนนออกไปโชเฟอร์ก็ไม่เห็นเราแล้วเราก็จะไม่เห็นรถถึงจะระวังอย่างไรมันก็ไม่เห็นรถเพราะว่าเวรกรรมมันตามสนอง มีบุญแต่กรรมบางไม่ให้เราเห็นรถแล้วก็ให้รถชนเราตายมันก็ออกมาอย่างนี้นะอาตมาก็มีประสบการณ์มาอย่างนี้คอหักพับไปเลยแล้วก็เลือดเต็มจมูกแล้วก็กระจกมันก็เลยทะลกหนังไปหมดเลยเอาไปไว้ข้างหลังหมดแล้วเลือดจมูกเลือดคอเสลตเต็มคอแล้วเราก็ต้องตาย แ, แล้วที่เราฝึกกรรมฐานได้นั้นกลับทําให้เราหายใจทางสะดือได้พองหนอยุบหนอหายใจได้มีพยานหลักฐานคอก็พับลงมาที่หน้าอกอาตมามีมืออยู่มือหนึ่งก็ดึงมันขึ้นไปแล้วหายใจทางสะดือพองหนอยุบหนอตอนนั้นก็นึกถึงแม่เรา ก็มานึกอยู่ว่าในตอนเราอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองแม่ทางสะดือแน่ๆคงไม่ใช่ทางจมูกทางปากแน่ก็คิดอยู่ทุกวันก็เลยมาตั้งปัญหาว่าหลับตาก็คิดถึงแม่ลืมตาออกไปถึงจะเห็นพ่อนั่งอยู่ตรงนั้น กรรมฐานช่วยยามคับขันจากนั้นเขาก็เอารถนำอาตมาไปส่งที่โรงพยาบาลกระเด็นออกจากรถไป20สบวาตอนนั้นน้ำก็ท่วมตามตลาดชาวบ้านเขาก็เลยมาขายของบนถนนกันที่วัดนี้น้ำก็ท่วมเหมือนกันอาตมาก็บอกให้โยมช่วยอุ้มหน่อยความรู้สึกในขณะนั้นไม่ใช่ปากเป็นตัวพูด เพราะมันไม่รู้สึกตัวมันตายไปหมดแล้วแต่สติมันมีอยู่ที่ลิ้นปีฉะนั้นเราจึงมาสอนกันว่าตั้งสติกันที่ลิ้นปีนี่ดีที่สุดเสียใจดีใจกำหนดไว้ตรงนี้หายแน่ๆหลังจากอาตมาขอความช่วยเหลือให้โยมอุ้มอุ้มหน่อยพวกโยมที่อยู่กลางถนนเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่า อุ้มทำไมหัวเละคอหักพับลงไปแล้วยังจะพูดได้อีกหรือแม้เราบอกว่าโยมอาตมายังไม่ตายแต่เขาก็ไม่ยอมอุ้มกระเด็นจากรถไป20สวานอนแอ้งแมงอยู่ทีนี้จะทำยังไงละ่ะแล้วก็มีนายทหารอากาศคนหนึ่งลอยขึ้นหลังคารถทัวไปเลยซึ่งคนที่พบเห็นเขานึกว่านังสือพิมพ์เปลวไป เพราะว่าแกนุ่งขาวห่มขาวแล้วมันก็กระเด็นลอยไปในที่สุดเขาก็ตายโชเฟอร์สลบไปชดใช้กรรมเก่าไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นอีกตอนนั้นไม่มีใครมาอุ้มอาตมาจนกระทั่งตำรวจทางหลวงมา ส่วนรถทัวทันจิตหม้อน้ําแตกหมดเลยประตูพังหมดเลยมันก็จอดไปไหนไม่ได้ตํารวจเขาก็จับตัวเอาไว้โชเฟอร์เขาให้การกับตํารวจว่าเขามองไม่เห็นอาตมาก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาแล้วก็ไม่ได้เอาเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยเพราะมันเป็นเวรกรรมของเราเรารู้อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม จะไปเอาเงินเอาค่ารักษาพยาบาลจากเขาเลยเพราะมันจะเป็นกรรมต่อกรรมอีกอัตมาก็บอกเขาไปว่าอัตมาไม่สร้างเวรกรรมกับท่านหรอกถ้าอัตมาตายก็ไม่เอาเงินค่าเผาศพจะไม่มีการฟ้องร้องเรามันมีกรรมเราสร้างกรรมมาเองแต่เราก็หายใจทางสะดือได้จึงมีประโยชน์เอามาสอนเด็ก รับผลกรรมที่ทำไว้กับเตาเมื่อตารวจทางหลวงมาถึงก็บอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อไม่ตายหรอกท่านยังพูดได้เขาจึงไปอุ้มมาไม่อย่างนั้นไอ้พวกตลาดปากบางทิ้งเราตายแน่ตำรวจบอกพูดได้จะตายได้อย่างไรก็ไปอุ้มมาใส่รถสองแถวซึ่งมีรถอยู่ตรงนั้นพอดีแต่รถคันนั้นมันไม่มีบอกส่วนเครื่องยน มันก็อยู่ตรงก้นของอาตมาพอดีเลยบังเอิญรถสองแถวคันนั้นหม้อน้ำของรถมันไม่มีฝาปิดเขาก็เอาผ้าคี้ริว้วทำเป็นจุกอุดมันไว้แล้วเขาก็ขับไปส่งเร่งเครื่องมันไปพอถึงวิทยาลัยเกษตรมือเราที่จับคอไว้ลืมตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินสักประเดี๋ยวมาแล้วสมน้ำหน้า เดี๋ยวกูจะซ้ำอาตมาก็ร้องว่าอะไรนี่ก็แย่เต็มทีแล้วยังจะซ้ำอีกหรึหัวเต่าโผล่ขึ้นมาเป็นแถวเลยแล้วก็บอกว่ากูจะซ้ำมึงเต่ามันพูดอย่างนี้เราก็บอกว่าข้าใช้นี่เองไปเมื่อวันก่อนปวดแสบปวดร้อนมาตั้งหลายวันยังจะมาซ้ำกันอีกเหรอมันบอกไม่ได้ต้องซ้ำอีกทำกูเจ็บใจนัก พอเต่ามันพูดขาดคําปุ๊บผ้าที่มันใช้อุดหม้อน้ำรดนั้นก็หลุดซึ่งมันก็ตรงกับก้นของอาตมาพอดีน้ำร้อนจากหม้อน้ำมันก็พุ่งขึ้นมารดตรงก้นอาตมาโชเฟอร์ชื่อในเฉาชื่อภาษาจีนชื่อในกลังเขาทำอิดขายตอนนั้นเขาบอกว่าน้ำรั่วแล้วต้องจอดแล้ว ายพวกที่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าอย่าเพิ่งจอดคนเจ็บจะตายแล้วโชเฟอร์ก็เร่งเครื่องเพิ่มขึ้นอีกพอเร่งเครื่องน้ำในหม้อ น, น้ำมันก็พุ่งขึ้นมาใหญ่เลยแม้ล้างเลือดเราสบายเลยโยมลองเอาน้ำร้อนลวกดูบ้างสิเอาไหมก็ทำให้เลือดที่หน้าผากพร้อมกับหนังหายไปเลยไม่เหลืออยู่เลยมันลวกหมดมันลวกไก่เลย ทรมานมากส่วนพวกที่ประคองเราไปก็บอกให้หยุดรถเถอะแต่คนหลังบอกอย่าหยุดคนเจ็บจะตายอยู่แล้วแล้วก็นาวาอากาศตรีคนหนึ่งบนสองซี่โครงแทงตับจะตายก็ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลเหมือนกันส่วนน้ําร้อนมันก็ไหลเรื่อยขึ้นมาพอถึงโรงพยาบาลน้ําในหม้อน้ํารด ก็แห้งหม้อพอดีเลยถ้าหากมันไม่แห้งก็คงจะพุ่งเข้ามาอีกโยมลองเอาน้ำร้อนรวกดูบ้างสินะเนี่ยเตามันก็มาซ้ำหมอลงความเห็นว่าตายพอไปถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องตายแล้วเพราะ เรารู้ว่าเราจะตายวันที่14ตุลาคมพอไปถึงแล้วหมอใหญ่ในแพทย์สมหมายทองประเสริฐก็รีบนำเอาอตาตมาไปใช้เอ็กซเรย์พอใช้ปุ๊บเราก็ได้ยินแวววๆว่าหมอสมหมายสั่งให้เอาเข้าห้อง i อซไปเย็บหนังให้หมดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ดีแล้วก็นำกลับไปที่วัดได้ แล้วก็หาพินพาดมอนไปด้วยเขาฉายเอกซเรย์ X แล้วก็ปรากฏว่าคอขาดเลยเขาบอกอย่างนี้ต้องตายแน่นอนไม่มีทางรอดเลยในแพทย์สมหมายคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เลยหูอาตมาไม่ได้ยินมันแววแววตาลืมมาก็ไม่เห็นได้ยินเสียงหมอพูดแววแวๆ ว, ว่าไม่รอดก็เอาเข้าห้อง i อซ ถลกหนังมาเย็บตกแต่งทาความสะอาดแล้วก็ล้างเลือดอะไรให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมจะเอากลับไปที่วัดอธิษฐานจิตขอใช้นี่มนุษย์ให้หมดไปในชาตินี้อาตมาก็เลยอธิษฐานจิตยกมือไม่ได้มือหนึง่งก็บอกว่า ข้าพเจ้าใช่นี่มนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้ารู้หนทางแล้วต้องตายวันนี้รู้ล่วงหน้าหกเดือนไม่ได้เสียใจอะไรเลยเพราะว่าเราไปทํากรรมมาและก็ถ้าหากว่าข้าพเจ้าใช่นี่มนุษย์ไม่หมดขอเท้าเวสุวรรณโยมทูตแห่งเท้าเทวราช โปรดให้ข้าพเจ้ากลับมาใหม่ได้ไหมเพื่อมาใช้นี่มนุษย์ให้หมดสิ้นกันในชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเกิดอีกต่อไปโลคมนุษย์นี้มีแต่โรคขี้เกียจโรคอิจฉาโรคขี้โกมโรคอิจฉาริษยากันข้าพเจ้าจะไม่ขอมาถ้าเป็นไปได้ขอให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้หมอเขาบอกให้บุรุษพยาบาลเอารถ มีเตียงมีลูกล้อเล็กๆไม่มีหมอนให้นอนตรงๆแล้วก็ให้บุรุษพยาบาลเข็นรถเข้าไปในห้องห้องหนึ่งโดยเร็วพอดีมันมีประตูลเหล็กยื่นซึ่งมีรางขวางอยู่บุรุษพยาบาลสองคนก็เข็นเต็มที่เลยล้อเข้าไปอัดร่องโครมปรากฏว่าคอติดเลยคอที่หักพับติดขึ้นมาเลยยกแข้งยกขา ตาเห็นได้สิบุรุษพยาบาลเขาพูดกันซึ่งตอนนี้ได้ยินแล้วได้ยินเขาพูดกันชัดเลยเขาพูดกันว่าแหมนึกว่าตายซะแล้วนี่นะเนี่ยโครมเลยกลับฟื้นขึ้นมาได้ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นพระกูนะเนี่ยถ้าหากว่ากูไม่เข็นรถตกร่องแกจะฟื้นหรือเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วหมอก็สงสัย ยังไม่เชื่อแน่ก็มาให้อัตมาบีบแขนเขาว่ามีแรงไหมยกขายกแข้งมีแรงไหมเขากลัวว่าจะเป็นอมพาสฝ่ายพยาบาลมาสองคนก็เดินมาแล้วก็บอกหลวงพ่อคะลองถีบหนูสิคะนึกว่าเราไม่มีแรงก็เลยถามว่าหนูจะเอาขาเดียวหรือสองขาถ้าถีบสองขาแล้วก็ เองตายเลยนะเพราะอาตมามีแรงแล้วน่ะยกสองขาได้เลยนะไม่น่าเชื่อเลยจากนั้นก็ไปห้อง i อซและพยาบาลที่มาทำแผลเขาก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องฉีดยาชานะเนี่ยพอคอติดแล้วหัวมันชาไปหมดเพราะโดนน้ำร้อนมายังไงล่ะแหม พอคอติดแล้วความรู้สึกมันก็มาร้อนโูบๆเลยชาไปหมดเลยพอเข้าห้องแล้วเขาก็เย็บดิบเนี่ยบริเวณนี้โดนเย็บทั้งนั้นเย็บดิบดิบหนึบหนึบเลยเจ็บก็ต้องทนหมอบอกว่าหลวงพ่อถ้าฉีดยาชาหรือทำให้ชาแล้วเย็บแผลมันจะหายยากถ้าเย็บดิบอย่างเนี้ยมันจะหายง่ายขึ้นทรามานเหลือกเกิน ก็ต้องเย็บไปตามหน้าที่พอเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลหมอก็ทำอะไรให้ไม่ได้นายแพทย์ประกอบเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกก็โทรไปหาหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลิศศินปแกก็บอกให้เอาหลวงพ่อไปวัดอัมพรวันไปที่นั่นตกลงก็เลยหามใส่รถไปที่โรงพยาบาลเลิศศินป์พอไปถึงที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ ผู้อานวยการก็จัดการเองเลยแกบอกว่าเอมีหลวงพ่อคนเดียวนะที่คอหักไม่ตายนอกนั้นเป็นอมาภาตเลยนะคอหักเนี่ยต้องตายทุกรายนี่มันขาดไปแล้วนะเนี่ยเขาก็เลยเข้าเฟืกพันผ้าอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วอัตมาก็ลุกขึ้นได้เสร็จแล้วก็กลับมาที่สิงห์บุรีไม่ได้ค้างเดินได้ พวกตามแห่มาดูสงสัยว่าเมื่อกี้จะตายหามไปตอนนี้กลับมาเดินได้หมอที่รักษายังอยู่ที่นี่เลยเอาลูกมาฝากบวชไว้ที่นี่นายแพทย์ประดิษฐ์ตอนนี้ปลดกเกษียณไปแล้วย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์เป็นหมอกระดูกฝีมือดีขอสรุปใจความให้ฟังว่านี่คือกฎแห่งกรรมอาตมาได้ไปฆ่านกตกปลา อย่างนี้อย่าไปทำนะมันมีอยู่หลายเรื่องแต่ก็ขอสรุปใจความไว้เพียงเรื่องเดียวพ้นกรรมจากอธทินนาทานประการที่สองอธทินนาทานติดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์เบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่นเขารับรองเลยว่าในชาตินี้ ถ้าเราไม่เจริญกุศลภาวนาแล้วจะต้องโดนปร้นโดนจี้จะต้องโดนไฟไหม้บ้านไม่ผิดหรอกผลกรรมจากกาเมสุมิฉาจา์ส่วนกาเมสุมิฉาจา์ติดมา 60% เอร์เซน์เมื่อครั้งอดิตชาติมีวิบากกรรมที่จะมาถึงเรา รับรองขอประทานโทษที่จะกล่าวคาหยาบบ้างถ้าไม่ถูกใจโยมถ้าใครได้กรรมอันนี้ต้องขอประทานโทษด้วยจะมีสามีกี่คนมันเป็นของคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดถ้าใครไม่จเจริญกรรมฐานแก้กรรมแผ่ส่วนกุศลแล้วก็กาหนดทางนะครอบครัวจะไม่มีความสุขความเจริญเลย อาตามาไปสหรัฐอเมริกามีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาขับรถพาไปเรื่อยพอไปถึงลาสเวกัสที่เขาเล่นการพนันกันไปดูวัดไปคุยกันระหว่างทางซึ่งระยะทางมันไกลประมาณ 800-900 ถึงกกิโลไมตรเขาก็บอกว่าหลวงพ่อครับผมมีภรรยาสองสามคนแล้วมีชู้หมด ทำอย่างไรจรึงจะแก้ได้ครับอาตมาก็บอกให้เขานั่งเจริญกรรมฐานอาโหสิกรรมก่อนแล้วค่อยมีใหม่อีกคนหนึ่งเขาก็เชื่ออาตมาก็สอนกรรมฐานให้ที่ลอตแอนเจลิสนั่นเองด็อร์คนนี้ก็เจริญกรรมฐานซึ่งก็ทําได้ตั้งสติอารมณ์ไว้ดีแล้วก็ทําการปฏิบัติอย่างที่สอนทุกประการ บัดนี้ภรรยาเขาเป็นคนดีไม่ไปคบชู้สู่สาวอีกต่อไปวิธีแก้ต้องเอาโหสิกรรมก่อนพ้นกรรมจากมุสาวาทถ้ามุสาวาดหลอกลวงโลกหวังเอาลาบเขานะรับรองโดนโกงโดนหลอกตลอดรายการ ถ้าตามติดมาในชาตินี้ 60% เปอร์เซ็นไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าจเจริญกรรมฐานอาโหสิ ก, กรรมได้ถึงจะแก้ได้ผลกรรมจากสุราเมรไรสุราเมระยะติดมา 60% เปอร์เซ็นรับรองลูกหลานเป็นโรคประสาท ถ้าหากว่าคนไหนเอาเหล้าสุราย า, มาเมาไปกินในวัดหรือเอาไปกินในที่เขาบำเพ็ญกุศลที่เขาสร้างความดีกันก็จะเกิดวิบากรกรมบ้าเจ็ดชั่วโคตที่เราจะต้องกลายเป็นคนวิกลจริตอันนี้อาตมาจับกฎแห่งกรรมได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่วัดเราเนี่ยนโยมนะเวลาบวชนาคจึงไม่มีเหล้าและไม่มีการแหเวียนเสมา เทิงบองเอาไปเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามรอบแล้วก็เข้าในโบสถ์คนที่มาบวชหน้าก็ได้บุญเท่ากันมันเป็นเขตการเคารพเขตสีมาพระผู้ใหญ่ก็ต้องหูบปร่มถอดรองเท้าและทาไมไปกลางร่มแล้วก็ยังไปตีกรองยาวเถิดเทิงกันอีกถ้าจะแห่มาจากบ้านก็ไม่เป็นไร แต่มาถึงเขตสีมาจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ควรจะหยุดที่วัดเราจึงได้สร้างแต่บุญไม่เอาบาปแต่ประการใดนี่ก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้ก็มีความหมายอยู่มิใช่น้อยทูลลาวกรรมด้วยกรรมฐานอาตมาขอจเจริญพรว่า กฎแห่งกรรมการเจริญกรรมฐานสามารถทำให้ทุลาเบาบางได้เราเอาโหสิกรรมก่อนก็สรุปใจความว่าสวดมนต์เป็นนิอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตาเป็นต้นนี่สามารถจะได้ผลแน่ๆเช่นนายกยงยุทธพุทธสมาคมจังหวัดอุทัยธานีโดนรถชนขาเละ แกเป็นนายกสมาคมแล้วก็เป็นสอจ อ, อุทัยธานีด้วยหมอบอกว่าถ้าตัดขาที่เละก็คงจะไม่ได้นะมันจะต้องรามเพราะนายกแกเป็นเบาหวานอย่างแรงมันก็จะเน่าขึ้นมาต้องตัดสะโพกตัดสะโพกออกเลยจึงจะได้ผลนายกแกก็บอกว่าเอาละคุณหมอให้ผมได้แก้ตัว ขอตัดสินใจสัก3ามวันก่อนค่อยตัดสุดท้ายแกก็นอนสวดมนต์ที่โรงพยาบาลสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาสวดมนต์เท่าอายุแล้วก็เจริญกรรมฐานเพราะผมเข้าตาแล้วไม่มีทางออกได้มีอยู่ทางเดียวคือตัดสะโพกออกก็จะเดินไม่ได้ภรรยาก็ต้องกรอกข้าวกรอกน้าก็เลยสวดมนต์นั่งเจริญกรรมฐาน พอหมอมาตรวจทั้งหมดแล้วหมอก็สงสัยว่าเบาหวานมันหายไปได้อย่างไรไม่มีเชื้อน้ำตาลเลยแม้แต่หยดเดียวก็ตัดสินว่าผ่าเอาเหล็กใส่เลยนิมิตเครื่องหมายมาบอกกับนายกว่าตอนเป็นเด็กชอบคว้างหมาชนหมาขาเละตอนเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นชอบขับรถเจอหมาเมื่อไรชอบชนหมาให้หมาขาหัก เมื่อตัวเองโตแล้วอายุเจ็สิบกว่าแล้วจึงได้ทราบนั่งเจริญกุศลภาวนาเบาหวานหายไปเลยเบาหวานหายได้นี่ที่อุทัยธานีเมื่อปีที่แล้วนี้เองตกลงก็เลยผ่าเอาเหล็กใส่ดามแล้วก็เดินได้เลยไม่ต้องตัดขาแล้วเบาหวานก็หายไปโดยเด็ดขาดเขาก็ได้พิมพ์หนังสือเอามาให้เป็นพันๆเล่ม มีลุงอีกคนหนึ่งอายุ78ปีแล้วเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าลุงอยากจะอยู่กับลูกๆห ล, ล, ลานๆอีกสามปีไหมละ่ะพาออกซะถ้าไม่อยากจะอยู่กับลูกหลานจะตายปีนี้ก็ตามใจตาลุงคนนั้นก็กลัวจึงมานั่งกรรมฐานที่นี่อาตมาก็ไม่ทราบหรอกหลังจากนั้นแกก็กลับไปไปตรวจที่โรงพยาบาลอุทยัย ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่ามันหายไปได้ยังไงเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันหายไปที่ไหนซะแล้วหายไปเลยผลสุดท้ายต่อมาผู้อานวยการโรงพยาบาลก็ให้คนมนิมนต์อัตมาไปพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจากการกระทาของท่านนายกพุทธสมาคมคนที่มาฟังกันแน่นโรงพยาบาลไปหมดต่อมามีในแพทย์สามีก็เป็นแพทย์ ภรรยาก็เป็นแพทย์มีลูกสองคนพิการทั้งสองคนเลยเป็นกฎแห่งกรรมประการใดก็จะได้ชี้แจงให้เขาฟังรู้กฎแห่งกรรมได้จากการกระทําท่านทั้งหลายเอ๋ยทุกคนสามารถรู้กฎแห่งกรรมขลองเข้าได้จากการกระทํา มันเป็นอย่างนี้ปีที่แล้วที่ผ่านมามีคนมาเลก็มาที่นี่สองคนกับลูกชายปวดขามาเจ็ดปีไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหมอก็รักษาไม่หายก็เลยมานั่งกรรมฐานปวดหนอปวดหนอตั้งสติไว้เขาพูดไทยไม่ได้ต้องอาศัยลูกสาวสอนคือแม่ชีอาซูงอเดี๋ยวนี้กลับสิงคโปร์ไปแล้ว ซึ่งเขาพูดภาษามาเลได้ภาษาจีนกลางได้ก็สอนให้กําหนดไปกําหนดไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาก็หายนั่งขัดสมาธิได้นั่งพัเพียบได้แล้วก็นิมิตเครื่องหมายก็ปรากฏชัดให้ทราบว่าตอนเป็นเด็กรุ่นรุ่นว้างขาหมูแล้วขาหมูก็เน่าน้องกินจากนั้น ก็ขายให้เขาไปค่าซึ่งเป็นเวรเป็นกรรมมาตัวเองจึงปวดขาไม่รู้จักหายบัดนี้หายแล้วเขามาอยู่ที่นี่แค่เจ็ดวันคนมาเลนะ่ะและลูกชายก็มาด้วยเขาก็พูดภาษาจีนกลางให้ลูกสาวแปลบอกว่าเขาจะเลิกเลี้ยงหมูทั้งหมดกลับไปจะไปสร้างวัดแล้วก็จะกินเจกันแบบวัดจีน ไม่ใช่วัดไทยแล้วก็จะไปสอนอย่างที่เขาทำได้นี่แหละนี่แหละคือเหตุผลที่เราทำเจริญกรรมาฐานมันก็ทำให้รู้กฎแห่งกรรมขึ้นมาได้ว่าเขาไปคว้างขาหมูเป็นต้นอย่างนายกสมาคมก็ไปคว้างขาหมาชอบขับรถชนหมาและตัวเองก็ไปถูกรถชนที่ขาเละบัดนี้สบายมากเดินได้เป็นปกติ แล้วปาหวานก็หายไปเลยนะหายเด็ดขาดเลยตัดกรรมไม่ก่อกรรมใหม่ต่อไปการเจริญกรรมฐานมันก็ไม่มีอิจฉาริษยาใครและจะเป็นเหตุให้เราได้ผล การริษยาหรือการไม่แผ่เมตตาด้วยบุญกุศลมาจากเหตุ4ประการคือ 1. เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี 2. เป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดี 3. เป็นเครื่องทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 4. เป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเอง 5. ขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานกัน เห็นไหมคนอิจฉากันไม่มีดีเลยขอให้แผ่เมตตากันเถอะเขาก็จะได้มีประโยชน์ต่อการร่วมไปด้วยสิ่งที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอสรุปใจความแล้วขอเจริญพรว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 1. สามารถระลึกเหตุการณ์ได้ 2. รู้กฎแห่งกรรมได้ 3. จะแก้ปัญหาได้อย่างไรเมื่อเกิดเหตุเฉพาะหน้าเราจเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เงินมาแล้วก็มีความสุขกับเงินนั้นโดยเฉพาะแต่มันจะทำให้มีสติปัญญาไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันอดีตเป็นความฝัน ปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนนะไปไหนอย่าปากวายใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ารื้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าไปคิดกิจที่ชอบทำปัจจุบันเป็นของเราอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงภาวะไปตามความเหมาะสมของกฎแห่งกรรมอันเกิดจากการกระทำของเรา อย่าไปจับให้มั่นคั้นให้ตายมันจะเสียใจไปตลอดชีวิตการกระทำของชีวิตฉะนั้นการกระทำของชีวิตนี้จึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นได้แก่ตัวเราทุกคนถ้าเราแผ่เมตตาศัตรูก็จะเป็นมิตรกับเราได้ คนที่เป็นคู่กรณีคนที่เกลียดเราอิจฉาเราผูกพยาบาทเราเราก็สามารถแผ่เมตตาให้เขาเป็นมิตรกับเราเขาจะได้ช่วยเราทำงานต่อไปรำวงมันก็ต้องมีกองเชียร์มีชิงมีฉาบมีกรับมีกลองด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีกองเชียร์ขาดพวกพ้องพี่น้องแล้ว ไหนเลยเราจะทำงานอะไรได้เล่าขอฝากว่ากฎแห่งกรรมเกิดด้วยการกระทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทำให้แน่นอนได้แก่ตัวอาตมาหลายเรื่องเลยดูซิฟ้าผ่าที่กุติเลยคนอยู่ในกุติตั้งเยอะสายสีเขียวเข้ามาสายแดงเข้ามาชนกันเปรี้ยงเลยจีวรไหม้หมดทั้งตัว ปวดแสบปวดร้อนอยู่หเดือนหูก็ตึงไปหกเดือนใครพูดไม่ค่อยได้ยินเลยต้องทรมานเพราะสาบานกับยายไว้ซึ่งไม่น่าจะเป็นมันก็เป็นได้สร้างความดีต้องมีอุปสรรคขอจเจริญพรว่าสร้างความดีต้องมีอุปสรรค ถ้าทำความดีมากขึ้นมีหนี้มาทวงก็นึกว่าประสบการณ์แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปเถอะถ้าเราไม่ได้สร้างความดีสร้างแต่ความชั่วแล้วมันไม่มีหนี้มาทวงเอาไว้ทวงกันชาติหน้าต่อไปมันก็จะไม่เป็นผลงานให้แก่ชีวิตของเราแต่ประการใดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคขอจเจริญพรว่า จะสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากให้ได้แต่ว่าสร้างความชั่วเนี่ยชอบลงทุนความสบายไม่เอาเหนือไม่เอาใต้กันแต่ประการใดก็ขอเจริญพรอย่างนั้นทำอะไรก็อุตส่าห์ตั้งใจให้ลูกเราสร้างความดีให้กับลูกทำถูกให้กับหลานเป็นกฎแห่งกรรมรักให้มันถูกวิธีทำความดีให้ลูกดู ถ้าพ่อแม่เราปู้ยี่ปู้ยำกับผู้หญิงยิงเรือนะทำให้ลูกเสียหายพอจะมีเวลาก็ขอยกตัวอย่างให้ดูสักเรื่องหนึ่งผลของการไม่เชื่อบุญบาปร้อยโททหารพลรบบุรีนี่เองเป็นทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่ เม mm. ื่อประมาณปี 2,500 เกาชอบปู่ยีปู่ยามกับลูกเมียเขาทํากับผู้หญิงยิงเรือตลอดรายการแล้วก็มาบวชวัดนี้120วันขอกฤิฎดีกาบรมราชาอนุญาตมาอัตมาก็บอกว่าผู้หมวดไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปและจะมาบวชทำไมเขาก็บอกว่าที่ผมมาบวชผมไม่ได้ศรัทธาหรอก แม่ผมแก่แล้วแค่ต้องการให้ผมบวชเพราะแม่ผมกับท่านชอบกันจึงให้ผมมาบวชวัดนี้ตกลงเอาอย่างนั้นเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วก็ไปปู้ยี่ปู่ยากับหญิงยิงเรือเขาท่าแค่บ้างรบบุรีบ้างสะแก้วบ้างอาตมารู้นะเขาก็บอกว่าไม่เป็นบาปราะครับหลวงพ่อ มันจะเป็นบาปได้ยังไงล่ะไหนว่าให้อัตมาฟังเขากับผมตกลงกันอย่างเช่นเราไปซื้อของเนี่ยตกลงกันแล้วมันจะเป็นบาปได้ยังไงเขาเต็มใจกับผมผมก็เต็มใจกับเขามันไม่บาปหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ไปข่มขืนเขาแต่ประการใดถ้าคิดอย่างนั้นก็ตามใจนะนี่คุณพูดมา ก็มีเหตุผลนะบาปกรรมของพ่อที่ตกแก่ลูกหลังจากเมื่อศึกออกไปแล้วเขาก็มีครอบครัวมีลูกสาวสามคนลูกชายสองคนลูกสาวคนโตเป็นสาวหมดแล้วแต่เหตุกรรมโดนบันดาลลูกสาวคนที่สามเรียนหนังสือเก่ง จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายกันหมดทุกคนแต่เ้าสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวหนักเข้ากรรมก็มาซัดคนโตเป็นนักร้องตามโฮเทลและก็พาน้องไปร้องเพลงตามโฮเทลด้วยร้องไปร้องมาสนุกสนานตามโฮเทนกลับมาบ้านแม่ก็บน่นแม่ก็ดา่าพ่อก็เมาขึ้นมาเตะลูกทั้งลองเท้า แล้วก็ไล่ลูกออกจากบ้านเห็นไม้บาปกรรมของพ่อที่สร้างความเลวร้ายตกอยู่กับลูกชัดๆเป็นเวรกรรมในที่สุดพ่อก็ว่าตัดบทลูกลูกเอย๋ยเลือดก้อนเดียวโยนทิ้งทะเลจะไม่สนใจอีกเลยลูกสาวสามคนชี้หน้าพ่อและก็บอกว่าถ้าหากดินไม่กลบหน้า ลูกจะไม่กลับมาหาอีกแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยไปเป็นอะไรโยมรู้ไหมไปเป็นโสเพณีอยู่ที่พัทยาโนท์พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องนั่นกรำเวนตามสนองมาแล้วในส่วนของพ่อแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไงลูกก็หายออกจากบ้านไปก็ไม่ทําอะไรเอาแต่เมาพูดพร่มว่า ไม่น่าเตะลูกทั้งรองเท้าเลยมันเป็นบาปกรรมของพ่ออันหนึง่งจากนั้นก็พอดีมีพันเอกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อพันเอกคนนี้ก็เป็นคนชอบเที่ยวซุกซนเหมือนกันชอบเที่ยวตามโรงแรมได้ไปเที่ยวพัทยาก็ไปเจอลูกสาวของเพื่อนคนนี้ก็ถามว่าหนูทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แกเรียกตัวเองว่าพ่อเพราะเป็นเพื่อนของพ่อเด็กสาวพวกนี้ พวกเด็กสาวก็เรียกว่าพ่อแกก็ถามว่าจำพ่อได้ไ้ยจำได้ค่ะเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเหตุผลก็ได้ความว่าไปร้องเพลงกลับบ้านพ่อเตะหนูด้วยรองเท้าแล้วไล่หนูหนูก็มาที่นี่ก็ดีมากแล้วค่ะพันเอกคนนี้ก็บอกแม้หนูถ้าพ่อไม่มาในห้องนี้ก็จะไม่ทราบเลยว่าหนูเป็นใครเกือบไปแล้วสินะ กรรมตามสนองพ่อหลังจากรู้เรื่องแล้วกลับมาก็มาบอกกับเพื่อนบอกเพื่อนเอ่ยอ้วไปเจอลูกสาวเจ้าแล้วไปเป็นโสเพณีแล้วพ่อน้ําตาร่วงทันทีบอกกับแม่เขาด้วยว่าลูกสามคนเป็นโสเพณีหมดผู้เป็นพ่อนั้นน้ําตาร่วงเลยนี่แหละเวรกรรมตามสนอง จากนั้นเขาก็มานั่งตรึกตรองดูทางพ่อก็ไม่มีคนชั่วยอย่างนี้ข้างแม่ก็ไม่มีแต่พ่อมาทำความชั่วกับลูกเลวร้ายอย่างนี้ตลอดมาซ้ำนึกในสิ่งที่ทำไว้ในที่สุดก็ไปค้นพบใบสุดทิไปดูหนังสือนังหา จึงนึกได้ว่าเคยบวชที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีตอนเป็นในร้อยโทเมื่อปี 2,500 โนนตอนนี้เป็นพันเอกพิเศษได้ความดังนั้นแล้วก็พากันมาที่วัดนี้สองคนสามีภรรยาก็มากราบเรียนกับอาตมาว่าหลวงพ่อจงผมได้ไหมอาตมาตอบว่าจาไม่ได้หรอกและโยมสองคนเป็นใครละ่ะ ผมเป็นในร้อยโทรชื่อนั้นชื่อนี้เมื่อตอนปี 2,500 ได้มาบวชที่วัดนี้ที่หลวงพ่อบอกผมว่าไม่มีลูกสาวบ้างก็แล้วไปเออจำได้แล้วแล้วมันเป็นยังไงต่อไปบัดนี้เป็นความจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วครับเขาเป็นโสเพณีหมดแล้วครับอ้าวและที่นิยมเชื่อเรื่องบุญบาปไม่ล่ะ ครับผมเชื่อหมื่นเปอร์เซ็นแล้วครับหลวงพ่อช่วยแก้ไขให้ผมหน่อยได้ไหมผมเสียใจเหลือเกินลูกสาวสามคนไปหมดเลยเหลือแต่ลูกชายสองคนคนเล็กกำลังเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลายัยหลวงพ่อจะทำยังไงดีครับเอาละไหนไหนก็ยอมรับผิดแล้วก็จะเอาโหสิกรรมให้ เมื่อลูกแก่โทษขอโทษแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนไปลาพักร้อนมาเจ็ดวันเมื่อเขาไปลาพักร้อนมาเจ็ดวันแล้วก็บอกให้ถอนคำพูดก่อนถอนคำพูดซะที่เตะลูกด่าลูกแช่งลูกและอาตมาจะยะถาสับปีให้พอเสร็จแล้วก็นั่งกรรมาฐานอย่างนี้แหละพ่อไปนั่งเหนือโ น, น้นแม่มานั่งใต้ แล้วก็นั่งกรรมฐานแผ่เมตตาให้ลูกขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขและก็ถอนคำพูดที่ด่าลูกไล่ลูกแช่งลูกขอบินทบาตและถอนคำพูดเสียถอนบาปออกก่อนแรงของกรรมฐานแห่งความดีจากนั้นก็กลับบ้านไป ปรากฏว่าลูกกลับมาบ้านหมดเลยทั้งสามคนพอลูกกลับมาก็พามาที่วัดนี้อาตมาก็ถามว่าคุณหนูได้ข่าวว่าเป็นอย่างนี้แล้วหนูบอกกับพ่อเธอว่าแผ่นดินไม่กลบหน้าจะไม่กลับมาบ้านนี่แผ่นดินยังไม่กลบหน้าเลยมาได้ยังไงนี่แหละ กำลังแรงของกรรมฐานแห่งความดีของพ่อแม่นะแผ่เมตตาให้กับลูกตั้งแต่วันที่8ปดเป็นต้นไปหนูสามคนแยกกันหากินก็บอกว่าวันที่8ปก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงความหลังที่ผ่านมาไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้เลยพี่ก็ไปชวนน้องกลับบ้าน นี่แหละญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยพ่อแม่เท่านั้นแผ่เมตตาให้แก่ลูกทำให้ลูกคิดถึงพ่อแม่ได้ลูกจะเกเรเกเสจะไม่เรียนหนังสือไม่ว่าจะอยู่สหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์หรือจะอยู่ที่ปารีสก็ตามเราแผ่เมตตาให้ลูกจะหันเหนเป็นคนดีหมดตั้งใจเรียนหนังสือ ซึ่งมีตัวอย่างที่นี่หลายรายเด็กก็กลับมาคิดถึงพ่อแม่อย่างนี้เราก็เตือนพ่อแม่ว่าอย่าไปพูดถึงความหลังอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องกล่าวไปไหนอย่ารื้อฟื้นเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาคิดกิจที่ชอบทําซะเด็กสาวสามคนนี้ก็ขอกลับใจมานั่งกรรมฐานเจ็วันหรือสิบวันก็จําไม่ได้ ก็มานั่งเจริญกรรมฐานสามพี่น้องและเจริญกุศลภาวนาอุทิศส่วนบุญกุศลแผ่เมตตาทุกวันหลังจากนั้นก็เกิดมีสติปัญญากลับไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจนได้ปริญญาตรีทั้งหมดสามคนสุดท้ายก็ไปมีครอบครัวทั้งสามคนได้ครอบครัวดีหมดทุกคนตั้งหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงพ่อ ก็ได้เป็นนายพลแม่ก็เป็นรองศาสตราจารย์ไม่ทราบว่า ป, ปลดกเกษียณแล้วหรือยางอย่างไรพ่อก็ได้เป็นถึงนายพลลูกสาวทั้งสามคนก็ไปได้สามีกันหมดทุกคนเวรกรรมตามสนองพ่อแม่ก็มาแผ่เมตตาแก้กรรมให้แก่ลูกซึ่งเป็นกรรมที่ตนได้ทําไว้กับคนอื่นปู่ยีปู่ยามเขา ก โ, โหสิกรรมสวดมนต์อธิษฐานจิตอโหสิกรรมแล้วแผ่เมตตาสรุปใจความว่าท่านทั้งหลายเอย๋ยสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิต ป, ประจำโอโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตาไม่โกรธไม่เกลียดใครอีกต่อไป ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ท่านผู้ใดอีกแล้วท่านจะแผ่เมตตาได้สมปรารถนาทุกประการชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์วันนี้ก็ดึกแล้วอาตมาก็เป็นข้ายอย่างแรงวันนี้ก็ไปพูดมาหลายชั่วโมง มาพูดที่นี่หลายชั่วโมงแต่อาตมาเกรงใจโยมนะถ้าหากไม่เกรงใจโยมจะพูดให้สว่างเลยก็เห็นโยมง่วงกันแล้วพวกโยมยังได้พักนะเมื่อคืนอาตมามาดึกมากแล้ววันนี้ก็ไปมาทั้งวันแล้วก็ไปพูดมาหลายรายการอาตมาก็ไม่ได้หยุดย่อนผ่อนอารมณ์แต่ประการใดพวกโยมก็พยายามแค่นี้ ฟังเถอะตั้งใจกันหน่อยแม้จะอดหลับอดนอนบ้างก็ไม่เป็นไรนึกว่าเราสร้างความดีฟังกันนะหาเวลาที่มีประโยชน์อย่างนี้ได้ยากชีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์นะสิ่งละอันพันละน้อยจำและปฏิบัติต่อไปโยมจะได้รับผลสมปรารถนา อาตมาขออนุโมทนาชี้แจงเรื่องกรรมฐานระลึกชาติของกรรมและรู้กฎแห่งกรรมได้โดยไม่ผิดหวังและกรรมฐานสามารถแก้ปัญหาชีวิตกิจประจำวันได้ในเมื่อเราไม่สร้างกรรมใหม่อีกแล้วแต่เวรกรรมเก่าที่ผ่านมาต้องรับใช้โดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้อโหสิกรรมกัน จะไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปแล้วเวรชนะด้วยการอย่าจองเวรกรรมกันก็ขอเจริญยศเจริญศักดิ์สิสร้างความดีในสังคมของตนต่อไปสุดท้ายนี้ขออำนาจของบุญกุศลทั้งหลายญาติโยมมาบำเพ็ญพระกรรมฐานและบำเพ็ญบุญ ก็ขอให้เป็นการุณหนุนนำโยมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรด้วยกันทุกท่านขอให้ทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกทุกท่าน